เมื่อคืนตอนตรงข้านี่ครับพูดเรื่องการที่ทำให้มโนกติที่เคลื่อนไหวในตัวเองนั้นได้ถึงซึ่งสภาพสถียอก็โดวยวิธีที่ปฏิบัติฉันที่เป็นรูปธรรมนคือ ก, การทำงาน ทั้งเพื่ออาชีพเพื่อยังชีวิตภายนอกและเพื่อที่จะเข้าไปสู่ชีวิตด้านในสุดอาชีพภายนอกเรกว่าการงานภายในเรว่ากรร ม, มฐานนุชจะค่อยรู้จักตัวเองนะมนุษย์ติบุรตรมนุติสิ่งที่เจตจำนงหวัง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 มนุสสนธิต่อเนื้อความต่อจากเมื่อคืนนะครับว่าด้วยด้วควา่าข้อเท่าเหตุไรเราจึงต้องทำดีกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเพราะคนที่ใกล้ตัวเรานั้นอาจจะบันดาลสุขทุกได้ง่ายยิ่งกว่าคนที่ไกลตัวนิดที่ดีกับเรานะั้น ว่าเราทำไม่ดีกับมิตรมิตรก็กลับเป็นศัตรูทันทีจะไม่มีศัตรูไหนเลยที่ปรากฏขึ้นลอยๆโดยที่ยังไม่เคยเป็นมิตรมา ก, ก่อนศัตรูคือมิตรซึ่งแปลพักไปนั้นยังเราพบคนแปลกหน้าเขาไม่ใช่ทั้งมิตรและไม่ใช่ทั้งศัตรูของเรา ก็พูดคำหนึ่งซึ่งผมก็ทักใจมากเมื่อไปพักที่บ้านหมอคนหนึ่งที่ออสเตรเลียส์ก็ เ, เขียนไว้ที่หน้าบ้านเขาว่าแท้ที่จริงไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรซึ่งเราเพิ่งรู้จักในวันนี้ฟังออกนะครับ คนจากหน้าไม่มีมีแต่เพื่อนซึ่งเราเพิ่งรู้จักนาท่าคนนี้เขาติศบ้านหลังหนึ่งให้ผู้เดินทางมีเตียงประมาณสิบสิบเตียงครับแล้วเจ้าของบ้านไม่ต้องเฝ้าเปิดไว้ทั้งคืนทั้งวันใครไปนอนก็ช่วยดูแลเก็บกวาดแล้วก็หยอดเหรียญ ให้เขาได้จ่ายค่าไฟ้าค่าน้ำบ้างเมื <Fin> ่อ <SUBSCRI K> สักครู่นี้นะครับผมออกไปเดินดูท้องฟ้าดูดาวที่นี่เห็นดาวเป็นจำนวนมากเหลือเกินครับผิดกระทิ่ง เ, เทพ เนื่องจากทิงเทพมีฝุ่นละอองดังนั้นเป็นหมอกฟ้าปิดบังไม่เห็นดวงดาวซึ่งมีจำนวนมากว่ากันว่าดวงดาวในท้องฟ้ามีจำนวนเท่ากับประชากรของโลกจริงเทศจยังไงผมไม่ทราบแต่อรมรู้สึกที่เรามองดูสิ่งที่ อยู่เบื้องบนนี่นะครับสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของมันึกมันดีเหลือเกินนะครับในขณะสังคมมนุษย์เปลี่ยนแปรงไปเรื่อยมิตรภาพเปลี่ยนเป็นศัตรูมิตรประเทศกันเป็นอริล่าศัตรูกันผมดูท้องฟ้าย่งยืนมากๆดาวลูกไก่ผมเคยดูตั้งแต่เด็กๆเ ด, เดนีมก็ยังอยู่ตรงนั้ น, น แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับ <c oughs> แต่มันคุ้นมากๆพอหันไปดูท้องฟ้ารู้สึกใจสงบเย็นขึ้นมารู้สึกสดชื่นขึ้นมาสันทีเส้นเดียวก็เรามองน้ำครับไปนั่งริมน้ำดูดูมันช่างซื่อเหลือเกินน้ำเนี่ยไม่มีพิษไม่มีโทษอะไรเล่น ไ, ไวแต่คนมาทำผิดกับมันนะ เส้นไปกระโดดน้ำตายหรือข่าวที่เกิดพายุขึ้นมาทรรมนุษย์เรามีสติดีๆนะครับเาะเห็นสิ่งต่างๆมันซื่อลมแล้วก็พัดอยู่อย่างนั้นนะครับใบไม้ก็ไหวแสดงมีลมพัดลมนั้นต้องขยนันช่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยน้ำผมยิ่งเห็นความน่าอาจจัศจรรย์ของสิ่งนี้น เป็นไฟที่ลุกขึ้นเป็นสิ่งที่งดงามมากๆเลยครับคือมันเป็นอยู่เองโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ตระหลาดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ครับแต่เราคุ้นเคยกับสิ่งอันนี้มากขึ้นนะครับเราจะพบว่าแม้แต่ความรู้สึกในกคิดของเรานี่ก็เหมือนไฟเหมือนน้าเหมือนลมนะ ความสึกตัวนี้เป็นเรื่องดาดๆาแต่ว่ามันรุ่งเรืองมากๆเลยมันคล้ายๆเราเห็นเพื่อนที่สนิทมากๆสัตว์ซื่อมากๆแล้วเพื่อนที่เป็นเป็นคนนะมีปัญหามากครับเขามีอารมณ์ด้วยในขณะที่น้ำไม่มีอารมณ์เลยหรือไฟเนี่ยตบใดที่เราระมัดระวังไม่ นำเขาเข้าไปเผาฝาเรือนหรือหลังคาบ้านครับเขาก็จะลุกอยู่อย่างอย่างหน้านับถือครับสิ่งอันนี้น่านับถือ่นั้นเลยครับแต่เรามักจะติดยึดในสิ่งสมมุติเรานับถือห้องเต้ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาประวัติศาสตร์บุคคลสำคันะครับรรรส่วนใหญ่เป็นฆาตกรเรื่งนั้นเลครับ เจงคิสคานฮิตเลอร์นโปเลียนฆาตกรทั้งสิ้นคนอล น, นี้เกิดขึ้นเพื่อประหารประหานเพื่อนมนุษย์แต่เราไม่ค่อยรู้จักประวัติของพระอรหันนะครับเพราะท่านไม่มีชื่อเสียงมีคนน้อยคนสนใจประวัติของพระหานจากหนังสือธรรมบท ขบคเรานี้ไม่ได้ค่าใครนอกจากไม่ได้ปราบประหารใครแล้วยังมำเพ็นประโยชน์สุขให้แกมหาชนอยูจ่จนจนจากโลกนี้ไ ป, ประบบการศึกษาทั้งหมดนะครับเป็นหัวนกับดักล่อเราไปอีกทางหนึ่งการศึกษาที่รัดจัดขึ้นไม่ว่ารัดไหนทั้งนั้นนะครับเป็นเพียง การถอดดมคนเขารับใช้รัฐเท่า น, นั้นเองนั้นคณจึงต้องกระหายที่จะทำงานกลัวตกงานแล้วเรียนในสิ่งที่รัฐวางไว้ให้เรียนเท่า น, นั้นนนผู้ที่จบการศาึกษาส่วนใหญ่มีใจิตใจที่แคบครับผมกล้าพูดตรงนี้ยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งแคบเข้าไปทุกทีแล้วเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวถือตัวด้วยทะนงตนด้วยพูด ให้จำไม่ลืมนะหความยิ่งรู้มากนะยิ่งโง่แกมหยิ่งครับเข้าใจคำนี้เพราะว่าการศึกษาที่ผ่านทางระบบที่รัฐจัดสรรให้แม่รัฐนั้นจะหวังดีกับผู้คนมากเพียงใดก็ตามแต่รัฐไม่อาจให้การศึกษาที่เป็นตัวสัตว์จะทำได้เข้าใจไหมครับ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 อย่างเดี๋ยนี้คนไทยก็เกลียดชาวเวียดนามทั้งๆไม่รู้จักหน้ากันเลยเพราไม่ไม่เกลียดชาวเวียดนามแต่ผมก็ไม่ชอบนโยบายลุกหลานเพื่อนบ้านของรัฐบาลเวียดนามเพราะรัฐบาลเวียดนามกับชาวเวียดนามนี่ก็ลเลยกรเรื่องเข้าใจไหมครับชาวเวียดนามก็เหมือนพวกเราเนี่ยตาดำๆหาเช้ากินขํามีทุกข์ขึ้นมาก็ร้องไห้ได้รับความสุขก็ดีใจอะไรแบบนี้ยทุกๆคนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะครับ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 เพราะว่าคนนั้นชีวิตนั้นเป็นอันเดียวกันเปรียบเสมือนไฟไม่ว่าจะลุกขึ้นจากขี้วัวหรือไม้ไม้ขนุนไม้เขี้ยมไม้แต่งไม้หลังมันก็คือไฟไฟที่ลุกขึ้นที่ทีเอสกิโมที่โซเวียตหรือที่เวียดนามหรือที่มาเลเซียหรือลุกขึ้นที่วัดนี้มันก็คือไฟไฟมีอันเดียวยนั้นครับ หรือน้ําก็เหมือนกันในโลกนี้เมื่อว่ามันอยู่ในคุนโลกเหนือก็น้ําเดียวเท่านั้นก็จักนครับมันเป็นเพียงน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเดียวเทนั้นนี่ผมคงพูดถึงสิ่งที่เป็นประมัดคือเป็นสิ่งที่จริงอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าขึ้นมาทางเหนือตรงส่วนหนึ่งส่วนใดก็าอาจจะเรียกว่าน่านน้าโซเวียตขึ้นมาอะไรนะคือมนุษย์มันบัญญัติ มันสมมุติอะไรขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะสอนสมาชิกของรัฐให้ยึดถือและดังนั้นเองนะครับโลกจึงถูกแบ่งแยกออกหมดสิ้นเลยทั้งๆโลกนี้ใบเดียวนี่ครับจากเม็ดทรายที่วัดนี้นต่อกันทีละเม็ดจนไปถึงนิวยอร์กจะเชื่อไหมผมพูดอย่างนี้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 เราสำรวจดูที่ร่างกายเหนือก็ได้ครับทุกคนลงยื่นมือมาข้างหน้านะครับยื่นออกมาอย่างนี้แล้วมือนี้ไล่มาทีละตอนทีตอนจนมาถึงกลางฝ่ามือแล้ฟังคําถามผมนะว่าจากกลางฝ่ามือย้อนมาที่ตัวนี้คือร่างกายส่วนใหญ่ของเราใช่ไหมครับมาที่ปลายนิ้ว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 รอดก็ดูดดูดอากาศส่วนใหญ่นครับดูดเข้าไปเพื่อเผาผลาญสำเร็จเป็นการดำรงอยู่ของชีวิตแต่ปีนี้ถ้าใครถามว่าเลยนิ้วมือมาที่เป็นสัมพันธ์ชีวิตหรือเปล่าคุณตอบยังไงดีครับ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 ทรารบันเบ็กสเตอร์ที่สาระนะครับทรารบันคนข้าเกี่ยวกับชีววิทยาเนี่ยพิสูจน์ว่าต้นไม้เนี่ยมีชีวิตดีที่ยิ่งกว่ามนุษย์เด็กและใครเคยดูหนังภาพยนตร์เรื่องอีทีจะรู้ครับตัวอีทีคือเขาเป็นพืชครับก็ไม่ใช่สัตว์และเขาฉลาดแม้หน้าตาหน้าเกลียดแต่ว่าฉลาดและใจดีด้วย <c oughs> ใครใครไม่เคยดูเรื่องอีที มีสองค น, คนอามคนอะไรสำคัญอะไรถ้าบรรณวิทยาศาสตร์แห่งนั้นพิสูจน์ว่าพืชที่เรียกสาวน้อยปราแป้งนี่ครับใครไม่รู้จักสาวน้อยปราแป้งไหมเป็นพืชที่น่าอัศาจรรย์ที่สุดครับคือมีอารมณ์รู้สึกมีความจำ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 พอรอบที่สอ ง, งนั้นไอ้ต้นไม้นี้จะตอบโต้ทันทีคือคนที่เคยพูดจายาวแต่มันไม่ชอบมันกลัวแล้วมันไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้ก็ เ, เอาเม็ดถัว่วสองเม็ดที่มีน้ำหนักเท่าๆกันนะครับขนาดเท่าๆปลูกในบรรยากาศเดียวกันให้เด็กสองคนซึ่งนิสัยต่างกันเลี้ยงไอ้เด็กที่ใจดีพูดคุยสุภาพเนี่ยเม็ดถั่วจะโตเร็วเป็นสองเท่า ไ อ, เ, อเด็กที่ใจร้ายถั่วไม่อยากจะงอกมาร่วมโลกกันเลยเ <c> ข <oughs> ้าใจไหยครับคนโบราณเขารู้เรื่องนี้ดีนะครับชาวเกาะสมุยเนี่ยนะไปทําสวนมะพร้าวไม่ไปอยู่ในสวนมันไม่งอกให้ไม่ออกลูกให้นั่นชาวสวนที่ดีก็ต้องไปเดินปวนเปียนเพื่อใ ห, ให้ต้นมะพร้าวมีเพื่อนครับมะพร้าวมีเพื่อนเขาอุ่นใจเขาออกลูกออกล้านให้ไม่เชื่อลองไปถามชาวเกาะดู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 ทันใด น, นั้นนับเครื่อ ง, ง, องนี้เล็กเด็กเคลื่อนไหวทันทะีก็คือมันรู้ความคิดของคนด้วยครับก็จับการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งความคลื่นความคิดในตัวคนได้นั้นพืชไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต่ํากว่าสัตว์นะฮะเข้าใจสมัยให้ดีๆนะมื่อตอนผมไปฝึกกรรมฐ า, านนะักสาวสิงโฟผมแนะให้ประธานนักษาวหนึ่งไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วพูดดีๆกับต้นไม้ก่อน ทักทายเขาเหมือนกับเพื่อนสนิทกอดเขาคุยกับเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนคุณอาจจะงงและคิดว่าเป็นเรื่องตลกในวรรณกรรมโบราณเก็พูดมากนะครับเรื่องต้นไม้พูดได้หรือคนไปนอนใต้ต้นไม้แล้วได้รับยารวิเศษอะไรบางสิ่งรู้ข่าวอะไรบางสิ่งจากต้นไม้เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นพอที่รู้ว่าต้นไม้ไม่ใช่ สิ่งที่ต่ํากว่าสักดิ์จงข้ามเลยครับดังนั้นนิยายหรือภาพยนตร์เรื่องอีทีนะเป็นสร้างขึ้นจากข้อมูลใหม่อีทีนั้นเป็นพืชไม่ใช่สัตว์นะเวลามาทําเป็นหนังนี่กลายเป็นหนังเด็กทจริงจากหนังสือเป็นหนังสือที่ดีมากๆแต่พอทําทเป็นหนังนี่คล้ายๆเป็นหนังพาเด็กไปดูกัน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 แล้วขพระมนุษย์ในโลกนี้เนีเลวร้วายมากๆเลยชอบลังแกลูกหลานคนอื่นสู้เด็กๆก็ไม่ได้ตัวอีทีนั้นได้เพื่อนคือเด็กผู้ใหญ่นั้นจะจบเข้าไปแสดงปาหีอยู่เรื่อยจะไปให้ออกงานออกร้านเอาล้ครับลองทบทวนใหม่นะว่าที่คิดว่ากินเนื้อสัตว์นั้นบาปน้อยกว่ากินผักนั้น ผมว่าผิดไปแล้วพระพทท่านจะพระิกษุพลากของเขียวปรับอาบัดเท่าๆกับฆ่าสัตว์นะครับบางพวกก็คิดว่าฆ่าวัว น, นี่บากว่าฆ่าหมาสิบเท่านั่นคิดตัเอง่านั้ น, นะครับที่ดีสุดคือไม่ต้องฆ่าครับแล้ว เราเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบอาหิงสากินผักก็ได้ครับกินเนื้อก็ได้แต่โดยธรรมชาติอาหารที่เป็นเนื้อนี่มันมีกรดมากเหมือนคนที่กินเนื้อบ่อยๆจะแก่เร็วมากๆครับเราก็สุขภาพจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเนื้อวัวผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการกินเจกรณีเดียวเท่านั้นนะคือเพื่อสุขภาพเพื่อการย่อยที่ง่าย และความเบาปลงแต่ถ้าใครมาพูดมาบอกผมว่ากินผักแล้วลาคะน้อยโทสาน้อยผมไม่เชื่อเพราะว่าราคะโทสะโมหะมันไม่ได้มีมูลตรงกินผักมันมีมูลตรงอาวิชาครับแล้วกินผักแล้วฉลาดขึ้นไม่ได้ยังมีคนที่ก็ร้อเรียนว่าถ้าฉลาดขึ้นนะครับวับนนี้ควายเนี่ยจัดสรูหมดแล้วมัน <laughs> กินผักทั้งวันเ่ย ดังนั้นเลิกเชื่อเรื่องงมงายเช่นนี้สิครับแต่ผมเองชอบที่จะกินเจกินแล้วมันสบายกายดีถ่ายสะดวกไม่ลำบากเนื้อตัวเย็นดีแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องราคะโทสะโมหะชาวซิกซ์ชอบกินเจชาวอินเดียถึงคลามมันก็ฆ่ากันแหลกลา น, นจนทุกวันนี้ที่เมืองปัญจาบทั้งเมืองมันกินเจนะแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันเล่นกัน เป็นศบๆไปเลยดัง น, นั้นเลิกเชื่อสีทีนะครับว่ากินเจแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นคนเอาบริสุทธิ์ไม่ได้ด้วยศีลหรือแม้แต่ด้วยสมาธิจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะครับม่อมีปัญญารู้เห็นขันห้าตามที่เป็นจริงและมนุษย์เราก็เริ่มพ้นจากขายมืดคือโมหะหรืออวิชชา ถ้าที่จริงนะครับชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันในร่างกายคนหนึ่งๆนะครับมันมีทั้งสัตว์ทั้งพืชและทั้งมนุษย์และทั้งเทพด้วยครับคือ เ, เทวดาดังนั้นเราก็เลือกทางของเราอยากเป็นสัตว์ก็ง่ายนิดเดียวครับเจอหน้าใครก็แตะมันเข้าถีบมันเข้าควนมันเข้ า, ขาเดียวก็ได้กลายเป็นสัตว์จริงๆหรือขาดสติมากๆ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 เมื่อ น, นั้นเราเป็นเทวดานะครับหรือเมื่อใดที่เราสงบใจดีนะครับมีความเมตตากรุณาผู้อื่นตอนนั้นเราเป็นพลมครับคือเป็นเทวดาชั้นสูงแต่ว่าทุกๆระดับยังเป็นสัตว์ชื่อสัตว์สัตว์ที่เรียกว่าพืชนี้นะแล้วสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์สัตว์เดยสารสัตว์ที่เรียกวมนุษย์ แล้วสัตว์ที่เรียกว่าเทวดาแต่จริงๆเทวดาเขาไม่เรียกว่าสัตว์แล้วครับเทวดานีน่เรียกว่าจะที่ว่าดีกว่ามนุษย์หาได้ไม่พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ครัไม่ใช่เป็นเทวดาดังสมัญญาที่อาจารย์ผู้รู้แจ้งครั้งอดีตเรียกพระพุทธเจ้าก่อนสัตว์รู้เขาเรียกว่าพระมหาสัตว์คือเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่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 คือผู้ที่นื่องอยู่กับโพธิเราก็มลังปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่การตื่นเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับเราเป็นพระเจ้าไม่ได้เราก็เป็นชาวบ้านนี่แหละแต่เรากำลังปฏิบัติเพื่อปลุกเราธรรมชาติของพุทธะเราจะเรียกตัวเราว่าเป็นพุทธะก็ได้ครับแต่จริงๆไม่ใช่ เพราะเดียวเราง่วงนอนเดี๋ยวเราก็โมโหข็นุนโมหกันนี้แต่เราเป็นหน่อเนื้อของพุทธะนี่ได้เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับเราก็เริ่มเดินตามแนวทางนั้นย้อนไปในเหตุการณ์ครั้งที่เจ้าชายออกบวชใหม่นะครับตั้งแต่วันแรกแรกที่ผมเริ่มอธิบายให้ฟัง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 ต่อมาเมื่อไปเข้าฌานปฏิบัติเข้าฌานกับฤาษีสองตนที่ชื่ออ Ar ุทธกะอาราระก็มีคนรับรองมีคนเข้าใจหรือแม้จะออกจากสานักก้งครูทั้งสองไปทรมานตนก็ยังมีคนเข้าใจครับคือยังมีคนให้ของกินมีคนให้ผุ้มือไหว้ให้สักการะแต่พอพระเจ้าหารมากินข้าว เชื่อรืนสตินี่หมดเลยไม่มีใครเข้าใจเลยคนเดียวก็ไม่เหลือเข้าใไหมครับแม้แต่โกนธั ญ, ญะคนที่ศรัทธาที่สุดก็ไม่เล่นด้วยแหละเขารำพึงกันว่าพระโคโดมมากมากเสียแล้วทำยังไงเสียก็ไม่อาจจะรู้ทำวิเศษแต่ก็เลยหนีบัดนี้พระเจ้าเหลือตัวคนเดียวครับไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีอาณาจากักร ไม่มีคนเข้าใจแม้แต่คนเดียวในโลกนี้น่าสงสารน่านเลยครับไม่ต้องสงสารท่านครัต้องหันมาดูที่ตัวเองว่าเรามีคนเข้าใจเยอะแยะแต่ว่า